บัดนี้จกักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในตอนต่อไปนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยสัมปชัญญะได้แก่การมีความรู้ทั่วพร้อมซึ่งอิเดียบทจ้อย คือในส่วนของอริยาบทที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการตั้งสติระลึกทันอริยาบทพร้อมด้วยความรู้ตัวในอริยาบทใหญ่สประการคือยืนเดินนั่งนอนแต่การกระทำในระดับนั้นบางครั้งบางคราวสติอาจจะเกิดเผลอรเรอหลงลืมขึ้นมาได้อย่างที่ประสบพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน ดันัในหมวดหนึ่งเพื่อกระชับหรือเพิ่มความรู้ทั้งด้านสติและสัมปชัญญะให้สูงขึ้นจึงทรงสอนให้บุคคลมีสัมปชัญญะที่บาลีใช้คําว่าสัมปาการีสัมปชานาการีคือการทำความรู้ทั่วรู้พร้อมกับความเคลื่อนไหวเรียบบทต่างๆ อาจจะคู่แขนเยียดแขนกินดื่มทำพูดคิดตลอดถึงอริยบทที่การน้อมตัวลงไปการเยียดตัวลงเป็นต้นสรุปว่าอริยบทย่อยๆทั้งหลายว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีสัพชัญญะคือความรู้ทันอริยบทเหล่านั้นและจะต้องเป็นความรู้ในลักษณะที่เรียกว่าระลึกรู้ คืองานของสติกำสัมไชัญญามีความสัมพันธ์แล้วสืบเนื่องกันกับอิริยาบถทแท่านั้นในชั้นนี้เมื่อจะกล่าวโดยส่วนตัวทั่วไปจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเพิ่มธรรมะขึ้นในการเคลื่อนไหวแห่งอิริยาบทตามปกติของบุคคลนั่นเองแต่เปลี่ยนเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน คือเพิ่มปริมาณของสติและสัมปชัญญะในเรียบทนั้ น, น, นในชั้นของชีวิตประจำวันการทํางานของบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความพลั้งพลาดความคือเรือเป็นต้นน้อยลงเพราะมีสัมปชัญญะสืบเนื่องกันอยู่ตลอดไปในสิ่งนั้นๆถึงแม้ว่าจะเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาในจังหวะใดจังหวะหนึ่ง ตัวสัมปชัญญะคือความรู้ก็จะทำหน้าที่ตัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้ดังนั้นการเจริญกรรมาฐานในชั้นนี้จึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องสัมผัสผลเมื่อได้สมาธิเพียงชั้นเดียวแต่แต่จริงแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตประจำวันของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความประนีตมีความถูกต้องมีความสุขคุ้มเพิ่มขึ้นโดยนำด้ำหับ ส่วนผลคือความสงบที่เป็นชั้นของสมาธินั้นบุคคลสามารถได้จากอารมณ์ของกรรมฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนที่กล่าวมาแล้วหรือส่วนที่จะกล่าวต่อไปก็ตามประการที่สองนั้นการใช้สัมปจัจญะหรือที่ชงใช้คําบาลีว่าสัมปัาญการีคือมีปกติกระทําความรู้ ถึงความเคลื่อนไหวในเรียาบทต่างๆเหล่านั้นทำไมจึงมีคำ ว, ว่าปกติเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วชีวิตของบุคคลเรานั้นความถูกความผิดมันเกิดขึ้นเพียงช่วงพูบหนึ่งช่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเวลาความผิดบังเกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นเสี้ยวของนาทีเท่านั้น อาจะเกิดความผิดพลาดจนถึงล้มตายหรือกระทําความผิดเป็นอาญาแผ่นดินก็ได้จึงทรงสอนใช้คําว่าสัมปชาณการีคือต้องรู้อยู่โดยปกติเป็นการกระทําที่สืบเนื่องกันไปรเรื่อยๆไปในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายเช่นสมมุติว่าอิริยาบดยืนเดินที่ได้ยืนเดินนั่งนอนที่กล่าวมาแล้วในส่วนของอิริยาบดอิริยาปถะประภา เวลาปฏิบัติไปก็รู้อยู่กับอิริยาบทเหล่านั้นโดยสืบเนื่องซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่ปฏิบัติไปทาไปปริมาณของสติสัมปชัญญะที่สืบเนื่องอยู่กับอิริยาบทเหล่านั้นก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเพราะเป็นการรู้ทันอยู่ตลอดไปกลายเป็นความคล่องแคล่วความชะนิํานาญในการใช้ธรรมะทั้งสองประการนี้แต่ในชั้นของ สามประชัญญะดังที่ไม่เคยกล่าวมานานแล้วว่าท่านจำแนกไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันพอมาถึงชั้นการปฏิบัติในรูปของกรรมฐานทั้งสี่ประการนั้นเองแต่ต้องมีปริพันธ์สูงขึ้นและมีการกระทำที่สืบเนื่องกันไปดังกล่าวนั่นคือประการแรกเรียกว่าซาตกะสัมปชัญญะคือความรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัตินั้นจะต้องรู้ถึงตัวประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําการดื่มการลิ้มการพูดการคิดการคุกแขนการเหยียดแขนการก้าวไปการถอยกลับในเรียบทต่างๆเหล่านั้นเขาจะต้องมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรพระวัตถุประสงค์ในการดํารงชีวิตของ บุคคลทั้งหลายหรือผู้สรุปรวม ว, วัสดุทั้งหลายในโลกนั้นมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลแก่ตนมีผลเป็นความสุขตามสมควรแก่ชั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นกอนี้คือเป้าหมายหลักในการประพฤติในการกระทำในการบำเพ็ญความดีหรือแม้แต่ในการประกอบอาชีพของบุคคลทั้งหลาย ย่อมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันในพระพุทธศาสนานั้นตัวธรรมะซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศัสรูของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประโยชน์อยู่โดยสภาพแล้วแต่การที่บุคคลจะนำมาใช้ให้เป็นการเกื้อกูลแก่ตนจนจนำนวยผลเป็นความสุขแก่ตนได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ทรงแสดงเอาไว้ในชั้นนั้นๆดังนั้นสัมปชัญญะในชั้นนี้จึงมีความประณีตมากยิ่งขึ้นกว่าปกติเพราะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานดังกล่าวกายบทตรต่างๆที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตัวจิตจะต้องระลึกรู้เสีย ก, ก่อนว่าได้ประโยชน์อะไรจากการกระทาเช่นนั้นจากการประพฤติเช่นนั้นจากการไปในสถานที่นั้นตลอดถึงการดื่มการลิ้มการเคี้ยว การพูดการนุ่งข่มเป็นต้นคือสรุปปัตถุกิริยาบทจะต้องมีความรู้บังเกิดขึ้นว่าได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำเช่นนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์สมัมชัญญะก็ต้องทำหน้าที่ตัดความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อจะกระทำนั้นออกไปแต่มุ่งที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการไปในสถานที่ต่างๆหรือกา ร, กรทางานของบุคคลทั้งหลายในระยะบททั้งปวกนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมันก็มีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองบางครั้งสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในขณะหนึ่งแต่ว่าในขณะหนึ่งไม่เป็นประโยชน์การตัดสินประโยชน์จึงตัดสินในขณะนั้นๆสำหรับระดับของกรรมฐาน ยกตัวอย่างว่าการวางแผนงานต่างๆเพื่อจะทำงานในโอกาสต่อไปก็เป็นประโยชน์ในการชั้นของการวางแผนงานแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลมาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อทำจิตใจของตนให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่กำหนดระลึกในขณะนั้นๆั้นการจะมานั่งวางแผนงานอยู่ในขณะนั้นสิ่งนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไปด้วย การตัดสินประโยชน์จึงดูที่อารมณ์ปัจจุบันสำหรับระดับของกรรมฐานแต่ในระดับทั่วๆไปนั้นอิริยาบถต่างๆที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมองถึงผลที่เกิดขึ้นจากการไปการคู่การดื่มการลิ้มการกระทำว่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่างในชั้นของคาพูดซึ่งจะต้องอาศัยความคิดหรืออาศัยวิตกวิจาร ใจตรตองเสียก่อนจึงจะพูดจะคิดเหล่านั้นจึงจะพูดถ้อยคาเหล่านั้นออกไปก่อนจะพูดก็ต้องมองถึงประโยชน์ที่จะได้จากการพูดเช่นนั้นซึ่งหมายความว่าผลยังไม่เกิดแต่ตัวสมัมปชัญญะรู้แล้วว่าพูดไปเช่นนี้ผลจะออกมาอย่างไรมาวิเคราะห์ตรวจสอบถึงถ้อยคำที่จะพูดที่จะแสดงออกไปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็พูดถ้อยคำเช่นนั้น ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดถ้อยคาเช่นนั้นอย่างในกรณีของถ้อยคาที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าอำนวยประโยชน์ให้และเป็นพระพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงก็มีอยู่เพียงสองแนวเท่านั้นแนวหนึ่งคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์เหมาะสมแก่การเวลาพูดไปแล้วผู้ฟังชอบใจ บุคคลก็อาศัยความระลึกรู้ถึงถ้อยคำในลักษณะนั้นแล้วก็พูดถ้อยคำเช่นนั้นออกไปแนวที่สองนั้นคือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการเหมือนกันแต่ผู้ฟังไม่ชอบใจผู้ปฏิบัติกาหนดรู้ถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการพูดถ้อยคำเช่นนั้น <ๆ S 1> ก็พูดถ้อยคำเช่นนั้นออกไปคือแม้แต่การกระทากิจการงานอย่างอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้น การรับประทานอาหารก็ดูถึงประโยชน์ที่จะได้จากอาหารเหล่านั้นการนุ่งหมผ้าการแปลงฟันทุกอย่างคือต้องดูที่ประโยชน์ให้ได้แสดงว่าความรู้จะมีความสืบเนื่องอยู่ตลอดระยะเวลาของการกระทำแม้ผลจะไม่เกิดขึ้นก็รู้ไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นแต่การที่บุคคลจะกระทำได้ในลักษณะนี้จาเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขปัจจัย ที่เข้ามาสนับสนุนในชีวิตประจำวันของตนซึ่งท่านแสดงไว้ให้เป็นเรื่องของการตัดสินใจการพิจารณาถึงผลโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเช่นว่าจะไปในที่ใดที่หนึ่งก็ดูถึงประโยชน์ที่จะได้จากที่นั้นถ้าไปแล้วจะมีความขุ่นมัวเศร้าหมองมันเกิดขึ้นภายในใจความไม่สบายปรากฏขึ้นภายในใจก็ไม่ไปแต่ถ้าตรงกันข้ามก็ไปในสถานที่นั้น จะดื่มจะลิ้มจะเคี้ยวจะกินก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาการฝึกเพื่อให้เกิดสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันได้จริงๆฝึกย่างหยาบคราวแรกก็คือเดินในระยาบทต่างๆแต่มีความรู้อยู่กับเท้าที่ย่างไปในชั้นนี้ยังไม่ถึงก็เอาละเอียดอะไรมากมายนะแต่ให้รู้ด้วยริยาบทเหล่านั้นอย่างท่านเล่าถึงพระเสรารูปหนึ่งท่านกาหนดรู้เดินอยู่อย่างนี้ เดินไปเดินมาซึ่งถือว่าเป็นแนวของการปฏิบัติทุตดงคือเป็นองค์กุณสมับขัดเกลากิเลสในแนวหนึ่งเดินไปเดินมานั้นเดงก็ไม่มีอะไรมากที่จริงริยบทก็เป็นริยบทปกติธรรมดาแต่สิ่งที่ผิดธรรมดาไปหน่อยก็คือว่าตัวสติกสัมปชัญญะนั้นแนบแน่นอยู่กั บ, บิริยบทที่เคลื่อนไป คือแสดงว่าไม่ได้พลาดไปจากกิริยาบทเหล่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินตะแคงซ้ายตะแคงขวาไปบ้างหรือมือจะไวแขนไปหรือเท้าจะเหยียดเท้าก้าวยาวก้าวสั้นอะไระอะไรเนี่ยตัวธรรมานั้นระลึกตามทันอยู่ตลอดระยะเวลาใช้เวลาเดินอยู่ตั้ง20ปีก็มีตัวอย่างบุคคลที่ท่านเล่าว้าหลายท่านด้วยกันบางองค์เดิน6ปี7ปีแต่มีองค์หนึ่งเดินถึง20ปี จนชาบ้านเกิดสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อเดินอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันแท้จริงเป็นการเดินคืออิรยาบถ ท, ที่เราใช้อยู่ทั่ ว, วไปนั่นเองท่านก็เอาสติกสัมปชัญญะสอดใส่เข้าไปในอิรยาบดนั้นๆเมื่อทําไปไปบ่อยข้าวก็เกิดความเคยชินความชํชนานิชํานาญสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเร็วรู้ได้เร็วตัดสินปัญหาต่างๆได้เร็วจิตใจกม็มนาสิการอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน และในที่สุดท่านก็บรรลุมรคนไปเป็นพระยาบุคคลในชั้นต่างๆได้นี่ก็คือเรื่องของสัมปชัญญะซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการนําธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่ปริมาณสูงขึ้นเท่านั้นซึ่งสติสัมปชัญญะตามปกติก็มีใช้กันอยู่ในการทํางานของบุคคลดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้เพิ่มปริมาณในสูงขึ้นความ ร, ร, าราั้งพลาดผิดพลาดต่างๆก็เกิดขึ้นได้แต่พอเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องของกรรมฐานเป็นพวกสัมปจัญญปะปปะบ้างเป็นอ ร, ะะริยปทะเป็นอริยปทะปป ะ, ะบ้างทีนี้อาการฝึกจึงก็มีวิธีการฝึกไว้หลายอย่างเช่นบางคนอาจจะยกแขนขึ้นคู่แขนออกแล้วก็มีความรู้อยู่ทุกจังหวะที่แขน คู่ข้าวหรือแขนเหยียดออกบางครั้งก็มีการเดินในรูปที่เรียกว่าเดินจงกรมซึ่งตามปกติเวลาเดินจงกรมจริงๆนั้นก็เป็นก้าวเท้าไปตามธรรมดาแต่มีความระลึกรู้อยู่สมมติว่าเราจะเดินจงกรมแล้วจะเอาการนับเข้ามาเนี่ยก้าวเท้าไปก็นับหนึ่งหนึ่งก็นับเป็นคู่คู่ไปมันก็นับได้เป็นอาการของสัมไปชัญญะเช่นเดียวกัน แต่ทีนี้ถ้าหากว่าต้องการฝึกให้แนบแน่นได้จริงๆท่านก็มีการยกเท้าการคู้ข้าวการเหยียดออกการเหยียบพื้นเพื่อให้สติระลึกทันตลอดระยะเวลาความรู้ก็เกิดขึ้นทันในเรียบ ท, ที่ก้าวไปหเหยียดออกเป็นต้นเหล่านั้นตอนนี้ตอนนั้นก็เพื่อฝึกให้ตัวสัมปชัญญะนั้นเกิดสืบเนื่องจริงๆไม่ใช่ว่าขาดไปในตอนใดตอนหนึ่ง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอุปการะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติกรรมฐานส่วนนี้แต่ประเด็นที่สำคัญคือต้องเกิดประโยชน์ต้องอาศัยสามปัญญะประเภทแรกคือดูถึงตัวประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากอิทธิบาทนั้นๆไม่ว่าอิทิบาทอะไรก็ตามจะมีสัมปัญญะอีกประการหนึ่งคือโครจะระสัมปัญญะ ได้ แ, แก่ความรู้ถึงโคจรคือสถานที่ที่ควรไปและไม่ควรไปตลอดถึงอารมคือความคิดที่ควรคิดและไม่ควรคิดซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการสร้างธรรมะขึ้นม น, นุนจริงที่เป็นประโยชน์โดยนิยะที่กล่าวแล้วนั่นเองเริยบท่างของบุคคลที่ก้าวไปในสถานที่นั้นหรือจะไปในที่ใดก็ตามก็ต้องมองประโยชน์ แต่ในลักษณะของโครจรคือสถานที่เที่ยวไปยกตัวอย่างว่าไปไหว้พระรันตนใจไปไหว้สังเวชนีสถานปูชนีสถานต่างๆไปปฏิบัติธรรมไปจำศีลไปเจริญภาวนานี่ก็เป็นโครจรคือสถานที่ที่ควรไปเพราะไปแล้วจะก่อให้เกิดความสงบความรู้ความเยือกเย็นความเข้าใจในเหตุผลของการดํานงชีวิต แต่ว่าโครจรบางอย่างคือสถานที่ที่เที่ยวไปบางอย่างของคนทั้งหลายนั้นสร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และความเดือดร้อนให้แก่บุคคลความรู้ก็จะต้องบังเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจไม่ไปในสถานที่นั้นๆซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าก่อาจะนำไปใช้ในกรณีอื่นๆแม้แต่ในการรับประทานอาหารก่อนที่จะ รับประทานอาหารก็ดูเรื่องประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ตามแนวที่หนึ่งแล้วก็ดูถึงโคจรคือจากช่วงตักอาหารมาถึงปากตัวความรู้ก็ทันต่อความเคลื่อนไหวเหล่านั้นอยู่ตลอดระยะเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของสติสัมปชัญญะเช่ดีกล่าวแล้วนั่นเองทีนี้บางอย่างนั้นเป็นเรื่องของความคิดคือคิดไปในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะพบว่าแนวความคิดของบุคคลก็ออกไปสองแนวแนวหนึ่งจะเป็นแนวทางของความคิดที่เป็นกุศลแนวหนึ่งก็จะเป็นอกุศลที่ทรงใช้คำว่ากุศลวิตกอกุศลวิตกต่าก็ความคิดเหล่าใดที่ตกไปฝ่ายที่เป็นอกุศลคือแทนที่จะบรรเทาความกาหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายนั้นขึ้น ตัวสัมปชัญญะก็ต้องรู้ว่าแนวความคิดเช่นนี้หรือจิตที่ตกไปในอารมณ์เช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ดึงความคิดกลับมาจากอารมณ์เหล่านั้นซึ่งเมื่อเราวโดยสรุปแล้วก็จะมีเพียง3ามแนวเท่านั้นเองคือการไมตกได้แก่การเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่ำน่าปรารถนาหน้าพอใจจะเป็นการนึกถึงด้วยความเสียดายผไวขวัญถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต หรือมีลักษณะมุ่งมา่ปราถนาผลต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตนในในอนาคตก็ตามความคิดในลักษณะนั้นเป็นความคิดที่เพิ่มปริมาณของกิเลสเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่รู้ว่าความคิดเช่นนั้นไม่เป็นการสมควรก็ตัดกระแสความคิดเห่านั้นออกไปซึ่งบางครั้งบางคราวในการปฏิบัตินั้น ก็มีอุปการธรรมอย่างอื่นเข้าสนับสนุนเช่นว่าจิตตกไปในความคิดซึ่งเป็นอกุศลเช่นนั้นฮีริหรือความละอายแก่ใจก็จะทำงานคล้ายๆกับสติแต่จะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ตนิติติเตียนตัวเองว่าในขณะที่เราประมังประพฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้หรือว่าอยู่ในสถานะเช่นนี้การคิดเช่นนั้นไม่สมควรแก่เรากตาหนิติเตียนตัวเอง ที่เกิดความคิดในลักษณะนั้นขึ้นมาซึ่งการที่บุคคลจะคิดได้เช่นนี้มาแสดงเห็นว่าเวลานั้นสติสมวชัญญะมีปริมาณสูงมากพอจนถึงกระยอนมาตำหนิตีเตียนตัวเองได้แล้วเพราะตามปกติแล้วคนเราจะมีการทะนุถนอมตัวเองเชิดชูตัวเองแม้ว่าจะกระทำผิดอะไรไปมากๆก็พยายามลดตรงต่อรองลงจนไม่เป็นความผิด ถ้าความผิดเพียงเล็ ก, ลกน้อยก็ปฏิเสธไปเลยเป็นต้นจากการที่บุคคลสามารถตาหนิตีเตียนตัวเองได้ตักเตือนตัวเองได้เช่นนี้แล้วเป็นการยืนยันถึงผลแห่งการประพฤติปฏิบัติว่ามีปริมาณสูงขึ้นความคิดในแนวหนึ่งก็ตกไปในรูปของความอาฆาตแค้นชิงชงังพยาบาทอาจจะประรบอดีตก็ได้ประรบที่จะแก้แค้นในอนาคตก็ได้แต่ละอย่างก็เพิ่มกินหลสายโทสะขึ้น ด้วยความคิดในทํานองเบียดเบียนต้องการดูความพิดน่าเดือดร้อนของคนของสัตว์ทางหลายซึ่งเกิดจากวิหิงสาวิตกสัมพัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นรู้ความคิดเหล่านั้นว่าไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นประโยชน์เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณของกินเลยแล้วก็ตัดกระแสะความคิดเหล่านั้นออกไปส่วนความคิดในทํานองตรงกันข้ามที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกําหนัด ความยึดความติดในอารมณ์ต่างๆเช่นประรบที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกจากอารมณ์เครื่องเศร้ามองใจตั้งหลายที่มีการกำหนดหมายว่าน่าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจหรือความคิดปีะกอบโดยเมตตาขันติการให้อภัยเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดภายในจิตใจให้มีความปรงเบามีความสบายมากยิ่งขึ้นหรือความคิดที่ประกอบด้วยกรุณา ปรารถนาที่จะเห็นคนเห็นสัตว์ทั้งหลายอยู่ผู้กำลังประสบภัยอันตรายความเดือดร้อนหลุดพ้นจากภัยอันตรายเหล่านั้นเป็นต้นนี่ก็คือเรื่องกระแสของความคิดที่จิตมักจะตกไปหกักไปหักมาอยู่ในอารมณนน์นั้นๆซึ่งสรุปแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอารมณ์ทั้งหแนวนั่นเองสัะชัญญะในชั้นนี้ก็จะต้องรู้เท่าทัน ถึงอารมณ์ที่ใจเป็นเหนียวนึกในขณะนั้นๆถ้าเป็นกุศลก็รู้ตามไปในกระบวนการของกุศลเดียดนั้นถ้าเป็นอกุศลมารู้แล้วก็ต้องตัดเพราะอะไรเพราะไม่เป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้วถึงแม้จะทรงจําแนกแบ่งแยกออกไปหลายอย่างก็ตามแต่ว่าเวลาปฏิบัติจะต้องมีลักษณะผสมกลมกลืนกันไปไม่ใช่ว่าเป็นสัมปชัญญะข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นจะต้องมีการวิเคราะห์สืบสอบกันหลายชั้นหลายเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวในระยบทต่างๆจากการเหนียวนึกจากการเดินไปจากการนั่งจากการนอนจากการคู่แขนเหยียดแขนเป็นต้นต่งางนั้นจะต้องดูที่ประโยชน์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องรีบตัดแต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็ต้องรีบเสริมขึ้นแล้วก็ประคับประคองรักษาไว้ให้ดาเนินได้ต่อไป การปฏิบัติในลักษณะนี้จะต้องเป็นการกระทำที่ติดต่อที่สืบเนื่องกันอย่างตัวอย่างพระเทระทีย่ยกมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสัมปชัญญะก็ดีสติก็ดีที่บุคคลเพียรพยายามสร้างขึ้นด้วยอารมณ์ของกรรมฐานนั้นในเรียบทประจําวันของบุคคลเองก็จะต้องพยายามใช้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งแต่หากว่า มีความไม่รู้มีความหลงลืมหรือไปตกไปกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่บ่อยๆเวลาเอาก็จริงคือจะปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปของกรรมฐานจริงๆก็จะทําได้ยากเพราะอะไรเพราะจิตใจในขณะนั้นมีอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคของกรรมฐานอยู่มากและเมื่อบุคคลปฏิบัติไปโดยในยะนี้อยู่บ่อยๆเข้า ความรู้ทั่วพร้อมถึงอริยาบทต่างๆก็จะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยลำดับทาให้บุคคลสามารถน้อมเข้าไปพินิษพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นความเคลื่อนไหวในอริยาบทนั้นๆก็จะเห็นเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของอริยาปะถะปะผะ คือว่าที่จริงแล้วก็เป็นการเป็นขบวนการของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองเวลาเจตนาจะคู่แขนจะเหยียดแขนหรือจะทำอย่างอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องของขันธาตุอายตนาที่ทำงานสัมพันธ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตที่มีการกำหนดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้เกิดเป็นธาตุลมมีการผลักดัน ให้มีการเหยียดแขนมีการเหยียดเท้าเป็นต้นออกไปมองเป็นการสืบเนื่องกันของเหตุของปัจจัยว่าชีวิตทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นและเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดบุบคล่องไปสิ่งหรือการกระทําเหล่านั้นก็ต้องหยุดชะงักเช่นว่าเจตนาที่จะเหยียดแขนออก แต่ตอนน้ำธาตุลมไม่มีกำลังพอก็เหยียดออกไปไม่ได้ให้เกิดเป็นตะครีวอะไรต่างๆก็ทําตามที่เราต้องการไม่ได้ส่วนรู ป, ปรกายจะต้องมีความพร้อมที่จะทําตามเจตจํานงที่บังเกิดขึ้นแต่หากว่าส่วนรู ป, ปรกายมีความบกพร่องไปแม้มีเจตนาจะกระทําอย่างนั้นจะกระทําอย่างนี้ก็ทําไม่ได้อย่างที่ท่านใช้คําว่ามือเท้ามาอยู่ในอํานาจบังคับบัญชา คือเราเจตนาจะทำอย่างหนึ่งแต่กลับทำไม่ได้เจตนาจะลุกแต่ในส่วนร่างกายไม่พร้อมก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ในเจตนาจะหยิบของแต่ส่วนร่างกายเกิดไม่พร้อมก็หยิบไม่ได้อีกซึ่งในเรื่องเหล่านี้ก็มองเห็นเป็นรูปของขบวนการในชั้นทั่วๆไปก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตนั้นมีความเกี่ยวเนื่องถึงกัน ในการบำรุงรักษาชีวิตจึงจะต้องบำรุงทั้งส่วนกายและส่วนจิตนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเป็นการมองในรูปของเหตุปัจจัยดังที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนก่อนเคยเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีของเราอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการประกอบเป็นการประชุมกันของเหตุของปัจจัยแล้วทางานสนับสนุนต่อเนื่องกันไป ความยึดยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของเราที่เรียกว่าเป็นอัตตสัญญาสัตตสัญญาเป็นต้นก็จะเบาบางลงไปมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัณหามาณทิฐิที่เคยมีอยู่ก็จะบรรเทาบบางลงไปออกไปจากกิจใจอย่างน้อยที่สุด ในชั้นหนึ่งบุคคลก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดติดต่างๆออกไปได้ในถึงคราวในโอกาสที่ควรแกการปล่อยวางเป็นต้นซึ่งเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันและถ้าพระทับปฏิบัติสูงขึ้นไปผลก็จะเป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้แล้วในกรรมฐานข้ออื่นๆต่อแต่นี้ไปยก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป